ดู ย, ยมพอจย์เอ้ยเรื่องนั้นกับเฝ้าสักก่อนกับคือเมื่อจังไปกินกระไดตอนนี้มันเยังร้ายยมพอจันเอ้ยเดี๋ยวนี้มันสามทุม่มรอยมโดนเลยพะซุ่มก่อนจนพอซุมเล็วเร็วตนเจ้าจังมะอ๋อพะซุ่มแล้วมเมนแล้วรเรียบร้อยเมือม่อเรียบร้อยเมือันมาพร้อมผู้เยี่ยบพร้อมกรรมการวัดบัญญัะเอกใหญ่หลวงพอพระคู่หลวงพอเจ้าอธิการนีคมมันกับพอซุมกันเรียบร้อยเมื่อเจียบร้อยเมื่อองมาตีแล้ว เดือบลอยเมื่อถูกยางประชุ่มเรื่องใดแหละหลวงพ่อประชุ่มไปวังหันประโชยเรื่องกันสั่งซาลาหลังไม่หลังเก่ามันไปบวกมันยึดแลวด้วเนี่ยหลังเนี่ยเออสีสั่งซาลาหลังไม่เออหลังไม่มันสีแมนโบ้หลวงพ่อเอ้ยขั้นพ่ออยู่ใดพอ่อสอนพ่อแซ่บไปกัอยู่บางเป็น่ยนางเดี๋ยวนี้เขาแหงบอท่านตั้งรัฐบาลได้ยกกับบท่านมีรัฐมนตรีกับบท่านตั้งผู้แทนกับบท่านได้รับล่อง เหตุการณ์มันเมื่อมันแหงคำล่งหุ่นคำล่งไหม้เข่าของกะแหงขึ้นนะมันกะแล่นขึ้นตูดล่องแล่นขึ้นตูดล่องโยพออยู่พ่อสอนพ่อเมียนอยู่ในหลาพอไปเป็นอย่างน้องบ้ามันกะเมีนอยู่ยมุยกันเอาใจเสวัดว่าอยู่ใส่กายอยู่จังไดกายอยู่ใจเจว่าพาหนะอาศัยเขาเขากินเห็นอันใดบ่ดีอันใดบ่งามก็ต้องดูแลต้องเลี้ยงต้องบุญนัตพัดถากัตัวพระออกจานเอ้ยมันกะหาแเมีนอยู่ดอกหลงพอเอ้ย ผู้ข่าในกันยานบ้านเบืองทิชินเน่นท่าผู้นั่นก็ซีว่าวว่าคมแหงเมเตียงบีบบีซีไฟบีบขีแกะเป็นน้ํามันว่าง่ายๆตั้งแต่สมัยผู้ขาบวชเป็นพระยุ่งเได้ยากดิเมีนแล้วสมัยคุณย่ำคุณโยมเจ้ากรนันบววัดพระสังคเคราะห์เล่าแต่เจ้า ว, วักผูมือนี่พระต้องเป็นผู้สร้างว่างเพี้ยนว่างโครงการตะบอกเอ้ย ขันทาบ่แล้วพี่นี่พี่นาเขาก็เห็นเป็นตัวอัตมาวาพระอกจันอันเว้าจ okay, hey, ouais. ังเว้านี่สีสั่งอลีสมยาไอเอลีออลแล้วอพลังเราสั่งเล็กสั่งหล่อเขามันมกอย่างเด็ดเลีวางโครงการวัดค่ม่ว่งขมเงี้วเรียบร้อยเมดดตัวอ้กันสีสั่งก็บอว่าตามอกตามใจงบประมาณนี่หลายปันไดสั่งสารลังนี่หลวงพ่อเอ้ยก็ขาดวาประมาณจัก หก ok ล้านคือที่ใดกี่ดอกคือสิวังหันล่เจล้านได ac ac ac ้ไพแน่ละสิออกซอยพ่อผู้ใหญ่บ้านบ้านกเอกจองเสาหลอวอตบ้านกเอกนี่จ้องเสาเรื่อยย่างไม่ออกจำสินคำวัดคำว่าจองเล็กพู่ละักเศษจองปุ๋ยพู่ละักถุงจองปูนพู่ละักถุงไพแน่ออกเน่โอ้ยกกันดู ถ้าออกมาเยอะก่าจะมันอยู่ใสเนี่ยออกมาหลายผู้หลายคนเหล่าต kind of ัวละเออเออเอาล็อกอันเดกันเด้วเอาหนึ่งเมญยสมหมายบัองหินนี่สองพันหาโอ้แต่ปูนเศว้าถุงอยู่ตัวหันเออพญจานบุญจันทร์บัญกเอกเนี่ยนี่สี่พันโอ้สาม พุเนบานแล้วก็น่ายกต่อยอีกผู้ละสองหมืนหาอาตได้ร้ายเติบแตตัวหลักแล้วก็ยังไม่อีกผู้หนึ่งได้บันสมคคอกสมคั่นซื้อเล้าว่าไอ้เบิงๆบิ้งก่อนผู้ใดคุณโยบุญศีน้าสกุลว่างไหนเราบุญศีมีอาจารย์บุญมีว่าจัดอ๋อแม่ผู้ขาที่เสนอี่มนออกไล่ผู้ใด เบิ้งอีกกนหนึ่งสองสามสี่ห้ามืนบาทะหา้หาม ห, า ม, หา ม, มืนห้ามื่นลหรีย้ยมันคือห้องแห้งแมันบาตัดกนะดึนเเดี๋ยวหอตายละบาทเงื่อนขายไม่ยู่ข้ามือว่านเสียงเียงหัวบนอนกะเท่านั้นบอนี่ม่อนดอเอามาออกส่างสลาหันนี่ดอไม่อสิเหตุเราหนาใหญ่เอากระดอกกะเดียเทิต่บุนสีผีบ่าโอ๊ยสีบ่แบงห้มูอออกน้าจากเม็ดจากอย่าง้กน หลวงพ่อว่าเหียหรือว้าอี๋ดีบุยพระดบาเี่ยบมันเยกหน่อยบุมันเสียวกัในพระว่านี่ยบุมันโตตัวหลว้พ่อเรียกว่าอี๋ดีอ๋อหลอนี่เด็กมันซีเรสีเบ่งอยู่ขายโบเสือห่าเดซื่อนั่นบุญสีโอ้ยบุญสีมีอาจารย์บุญมีห้าหมื่นบาทวงเล็บส่วนตัวนั่นป้าถูเงินผูขายไปตใหม่อยู่ค่าขายไปยังว่ามังเล็บส่วนตัวอยู่หลวงพ่อปจันใดบัดหลวงพ่อก็คือก้าเอา อุ้ยก็แล้วก็ว่าส่วนตัวเนี่ยบอกแล้วแล้วว่าบ้านพ่อออกแล้วว่าลุงพ่อขาละ ว, วันก่อนแล้วสีเมื่อ oh. ผู้ขาดพจากแล้วก็ถามน้ำพอจารย์ดึกเกิดสาไดไอสาดนันสาดนีสาดนา เดีเป็นผัวกันอีกจักเถื่อแล้วสิออกไหลปั้นไดว่าสันตัวอันหาเมน่ะสวนตัวเม่งให้ทามน้าภูขาอีกแล้พอจา์บุญมีเสียที่เยวันกระเอกบ้านน้องหินนี่แหละสิออกซอยหลยปั้นนอพอจจานบุญมีเอ้ยสมพ่อหน้าพ่อตาในเด้อเต่าพนซีเต็มปรสินาใหญ่ปันจานเลดา่าเนาะบนนิดหลวงพออ่อบ่าจังไดนเอาจังสี่น่พ่อพญจานโ น, อ น, โนเอาจักเจ้า จ, จ, จักเสียนซะนาะ แสนหนึ่งบอกเออแสนหนึ่งแสนหนึ่ง น, น, งนอขออันว่าต้องทีได้ลุ่งล่งซื้อไว้วันนี้นอโอเคเลยหลวงพ่ออา้อาอา้าอ่ะ ขอข อ, ขอบคุณขอบคุณด้ที่พอออกจานไดชสรสร่างสลา ก, การในเป็นเดนึ่งให้คุณพอให้มีความสุขความเจริญก็พอใหญ่จาร ย, ย, าารย์บุญมีเอ้ยถูกขยันนี้มีขยัเนเขาเลราเต็มเขาเต็มเลราจะเป็นถูกเป็นหนีเด้อพอจารนเด้อซาถูกข อ, ขอบคุณขอบคุณเด้อพอใหญ่าจารเอเอาเอาเอาหลวงพอ่อเมียนยางซีโมาขอบคุณขอบคุณไหวใช่ให้พอ่ออันบูคาเรื่องอย่างว่าเอา ขยุ่มก็ยังว่าโอเคเร็วนั่นเด็กเปเบาตกลุงเพื่อออกกว่าจะออกซอยพทิจากแสนหนึ่งนั่นเด็าโอเคบังหันบอกเมืองม่ได้เปลว่าตกล่งเด็โอ้ยไปหาเบาาว่าอะไรบ้านกะเอกใหญ่บ้านโนนบ้านกะเอกใหญ่บ้านกเอ็กน่อยบันคุมบ้านซาบ้านซาดอเคบันที่น้องหินเขากะว่าโอเคก็แป๋เบาตกลุ่งมดนั่นแหละเป๋เบาเลยเถาะเมือโอเคบ้านกะเอกบ้านคุ้มบ้านหน้าดีบ้านเตยแป๋ว่าตกล่งแต่ว่าของจานบุญมี แปลว่าไม่พร้อมไม่ตกลงมันคือชีบอาจังสันว่มาขอบพุณเ้อเสือไปนี่เ อ, อุตสายว่าเป็นโอเคไม่ใญ่สอนโอเคจาย์บุญมีแปลว่าไม่ตกลงและไม่พร้อมบัดเน จองกองนาเกินน้ำลายบ่อลุ่มโค้งบ่อปันเชนมาขังละนั่งกำมองติ่งบ่อเดมพอปันบวงดอกมาโค้งละอุ้ยพนมงเงือเอาการ อบอกคือพบมากเคยเห็นเป็นกำเป็นเกินไปมาไม่บอกคือบาลาจันบุญมีบส่สมซื่นเจ้ามาคือกันเกินเพื่อนรักบงเองกันเลื่อนเกินเงินกามีโยเลื่อนบานบ่ทันจ้อยเตงสันต่างดอกเด่นนว แรงเต็มวางคำพิษอ่งบ้าวไนยวางอูงทิม โอ้ที่แปลว่าคำบอนตกวลุงพนว่างงเกินบ้านหลังจังวาจจันดิจ่าจั น, จจนียงนังโนเจ้บาบองีคำตั้มยกเนืงหลังหลวงพ่อเก็บบอเถงหลังว่าสดนนอกได้เสี ย, ยตเต็มนอกตามวัยหลังอุ้งนอยากว่าซ้ำ ด้วยน้องหลวงโป๊จันทองสามเต้เกิดมาบวชคือเย็นมาปวกพันเอาตอนนี้ลับนือความเป็นคนดีบัดมาเจอคุณบ่าวว่าจากกันโบเข่าห้อมผูวหนึ่งเบ็นผัวหนึ่งห้อมลางไปลางตัง้ตงคำคำบ่าดอกต่างคง จานบุญมีเจ้ายาวมักย่องหาเย็บย้ำขันของสองตัวเคยส่งกองเบือนหงแปาเหลืองมาเรีวเนียวเดียวได้เคยย่อยองบูชาคนมันจังแม่ลำปูนตัวเทลาพุทธเจ้าเห่าทานทุกตุงคุณทุกตุงกุลลาบทกเลือม กางบ่พ้นนี่จากเกีติความตายเดินยมเดืออย่างสิมัวลืมลงกันวางมีจนลืมทางหลังตั้งบ่ฟังหูบ่ฟ้าผู้ใดจะกับฟังแน่ตายบ่มีไปแกไปบ่เว่เบิ่งยียมแน่ยควายเตื่อมันลื้นควง อำเอาการเบียละกาดนองคนบ่อทองดอกเที่ยวฮามย่าต่อนางไอฟังจัน่อฟังกันจันบ้างลาหมานนำทางญาณีทางปราดญาีิอุ้นทางไอ้นินทางที่เคยย่างทางเคยเดินให้เจ้าหัวหูวน้อยให้ราฟังลทม เอื้องสัวือดิ่งให้เจ้งง า, า, า, จ า, าตั้งให้เจ้าสั้างงดูเดือพอจานเดือรความจริงให้เจ้าสาสยสีจะตั้งายให้มาใหม่ตั้สร้างทั้งก ว, วนสวนเป็นบอลเตยเจ้ายังเอาตั้งเตจ่าเล่ตู้เ ต, ตื่นเตปันตือนของหงบ่องบอดนับเพืออ่อรักการทำบุญบริสุท อ, บอิบริจากเป็น ทาอันตมาเตเพียงความผู้ที่ทันกตังญู้ลมใจยินบ่ใส่ก็เศร้ายอมบ่ทันกับบ่เอา กลบ้องอาวบ่ต้องเมาเรื่องคนเอื้อลักเคลื่อนตัอคำปากเ้าทรงเจ้าสิเก้าสีรักละหนุ่มบ่จันบุญสิ่งอ้วนปรากรหนุ่มวานิเอร์ละจะต้องเพื่งอาใัยกันคือจังคันกรรมบ่อยต้องเพื่องปิ้งอาศัยน้ำล้ำ คือจังสามคำตวยอาศัยกันอย่างใส่ปนคนอาศัยปีโน่บัดยามไขดอกปุ้ยเปลาบัวมีไปเรียกเวนเฮาต้องเพิ่งอาศัยกันคือจังฉันอาศัยโยมวันฟ้าจังกุ้งเอลัสิ่งพูดไปเห็นดีโม่โยมยามพูนขันกอดจันขอไว้ให้โยมกอนัมโยมบัวทำอาตมังกังโบราณในถอนบวเรื่องบนเดีั่ น้ำต uh, ั้งแต่เมื่อนีิยมประมาทในตั้งส่วนลำโยมบ่พร้อใจน้ำไฟจันทร์ส้าว่าง่ยมบ่ด้านกลางบ่งเอาเู้กันสาววันนี้ตายเป็นผีกับ่งเบือง thương và nhúm đàn lươn phăng sàn tứ trảo lạc câu t ư n thầy năng là năng h à lạc nô là v ยมพอจานบุญมีเงยยมบ่ท่านกับบ่เอาเศร้ากันสาวันเนตตายเป็นผีกับบ่เพิงเือว่ายมเลอดฝ่าสะดือเจ้าเท่าตื่นไทยเป็นผ uh> uh ้าจังได้มใจาหน่อยออกกระดอกกระเดียแท้ใจใหญ่ๆได้เป็นอย่างหลวงพ่อ มันก็บนใหญ่บนน้อยละซเกลาซ้ำเห็นบ่ทันก็บเอาบอเอาก็บอวาเศร้ากันสามนีซลวบอวะยังต่อญจานบน เนียนจันบุญมีคนต่อมานำไว้จนลืมเกลาเปลบ่ยน้องต่างกะลังนาดอกท่าไดเห็นาเพี้นสิบัวกะเบ้อได้แล้วบ่เสดดอกใจสันบัหัวสาดอกคำค้นแล้วเต่าสีจาวานา ผัวฟังเอื้นเขามีกินเงินมีใช้บ่ได้ขอค้นได้ไปสิบ่กับอ่เตือนอนะบ้นมีไปมาลวยเรือนจานบุญมีตอกโขยไปสิปล่อยกะสังเของาอีเมล้เอ้นะ หลวงพ่อเอ้ยสิทําอย่างกะสังเจ้าบ่เบาวาดอกแนวในสิทำอยังกะทําไปสิเกี้ยวอยังกับทางเนียงนางจานมบนมีคือโตข่อยอย่ามาจ่าดอกบานอ้อยท่านหลวงพ่ออย่ารอคอยผมบอกทำยาสิเ้าสาลาเจ้าซอยเบาไหว้หลวงพ่อือนะ คำอูขี้ผม่าวัยแตว่าบ่ตกงลุงกึ้นในถงยามาวังเพราะมอ่อเห็นดีด้วยนะไปเห็นงามแม่เขาช่วยไปซาดอหลวงพ่อนก็สาละคุณนำบ่าว่า น, นเป็นคำอ่างดอกแข็งส่วนนะไปสี่เป็นเนียงงวงให้เป็นโลดบ่อยชายเห็นมาจนพ่อเพียงเต่บัวเรียนดอกมาแลว้วนาะง เดวได้ทำจนมลเกี่ยงบอมีไปบาดีดองกินบวกสอกบ่บ่หาคนย่องกาบอมีน่ะบ่อนคือย่องดีดีมีแต่เย็นกำบยามพอประนามแทงใจกัเรื่องบนสีเสาวบแมนะหูฟังเอ้ยใจบ่ใสแต่เข้าพุนสึกกองมาคอยหลดเบื่อหนะเมียนมาท่านคอยกางหายเสียดายเพงดอกข้างเฮียน บ้เมนผมนี่ตั้งแก่งหาเรื่องสายยานเสียเงินเชินตั้มไปบอนโซนบสซนดอกน้ำดูอ้นาง แม่สิมีจากสิบล้านบอกขอท่านเก็บไว้ก่อนเก็บไว้เป็นนี่ยนก้อนก่อนกันแบ่งไว้สิมัง่งเียนะผู้ฟังเอ้ยอพวงเจ้าเปลี่ยนเบื้อนบ้านท่านเราไปเรื อ, อยังกันเจนเจ้า่านน้ำหลวงตาหลวงพ่อสาเล่าพขอรอ้อนนะลองมาทํา ม, มาสาั่งวางเงินตราดอกแจกวนันนะ เตือนบ่าคุยนี่บ่อทานเมีนเต่บานแดงเบียสิแ้งไใบทาบังเมียนนะคุยสเว้าจังสีเมีนสังโหลดกัสังสาบงว่าสาดอกคำคุ้นมีนสิจ่าบ่เคุยงวนั่ง ฮ้อนกันที่บ่อทำเหลวแถวคนฟังย่าเฝ้าดามนะขอตัวด้อหลวงตาผมโยมือกองเรื่องก็สร้างขอตัวด้อหลวงตาเรื่องย่ยมือผมก็สร้างเรื่องก็สร้างนั้นผมนั้นสีบ่อท่านนะขอตัวดื้อพวกเงินบานนะสียยดเต็มมือต่างนั้นสีบ่อท่านเต็มเบาดีนอพจานโน ขอนตัวดูพบกเบื่อบ้านยาสิวาจานบุญเบียนไปสิดีกันดีไปขันสนฉันบ่เคยง่หน่เอาละอนนยามายุ่มกันร่นเกินคำคู่กินคำทานนะหลวงพ่อทองสาอึ้ยขันบ่ไตผมสีทานหีอยู่ด้ข้างหน้านสาลาเ้า hiền thương lặng nên là nôi nàng lụa pho cu cu cu cu cu cu cu cu cu cu cu ผู้ขากับท่านตังมาหาหมื่นกับสีเอากระดังกระดอ ก, กระเดียมั ส, สบี บ, บีซีไฟบีบน้ํามันเป็นขีดแก่บีบแก่เป็นน้ามันเถรว ง, งพอเอ้ยโบเป็นอย่างดอกพโบจันเอ้ยโยมโบจันโยมโบท่านอัตมากระโบเบาโบวาดอกต่ว่าเลงสลากระส่างสลาลังนี่อัตมากระทีส่างว่างล่างต่อไปขอข อ, ขอบคุณลหลายๆเดือที่โบจันโบข่วมจริ้งไงฟัง โ อ, โ, อโอ้หลวงพ่ออว่าจังใดโพชานโอกาสนี่ข่างนาตาห์มีสัทธาผมนี่สีสางสร้อยออบอกเป็นอย่างดอกพโพชานแต่ว่าได้มือนี่กัสีซอยอยู่บางฟังเบาๆใจน้อยไร้เด้นให้นับเบื้งเงินก่อนอฟังเบาๆนี่สีท่านบะแมปันเน่การโย่ยี่สิเบิ้งหน้าเบื้องอนับขึ้นนับขึ้นสีสิบอ่านับไปถึงหมื่นถึงพันถึงแสนเด้อโพจารย์เด้อ อพ่อเป็นโอ้หน่อยว่าแล้วว่าเจ้าสีบ่ลนกรับข่อยซื้อข่อยโพสเอว่าเจ้าสีโพส่างบ่อปลยงก้นตือส่างมัสห่างเดทโอมเน่ซื้อว่าจันบุญมีมัดสีมีบ่ผูบ่อท่านบ่อหยังเมียอ้มาสั่งงบ่อวาบ้าแต่มีออกแม่ไม่ไมไม่ย่นั่งม่แย่อกอยบ่อางซอยแล้วไปเด้อเพียซื้อทอสั่งหางทอแมลลำด้วยกิบไขเขาราคาเดียวกันนั่นล้าลงอเอ้ยขวมีออกบันเกเอ็กพอกล่งสีมาแพกรสีม้าซวยมาสร้างเซลานากัน และไรไม่ใ่น้องหินมาเด้อแบบน้หอยมาเขียนําำกัน้อง่อยสี่พาท่านไอกบ้านกระแรก็คือ้กันเน่ขาอใส่เราต้องพรนดบงันเอาวันหักหันไปสามหมื่นมาหันยโอ้เอ้าอะไรขึ้นซ่าขึ้นหับขึ้นหันขึ้นหับขึ้นหันนับขึ้นหัน้นันขึ้นหันขึ้นหันขึ้หลายึ้่นขึ้นหันขึ้เหันขึ้นหันขึ้นันห้าหนห้้นนขึ้น้้้ อ่าเสงเเก่าเสทงด้วยเมีดส่ยเลนี่มีเฮเลนเข่าด้วยเมีดูอ้าวผมเจ็บใ่ใจผมใส่ถ้ามีอีเมเฮาหกิกลังสีมาอยู่นี่นยังยังตีถาทรงอีชบ่หวซื้อต่อสั่งห้าม่เอเาได้เอาดีเอด้ให้สร้างั้วแมสั่งว่าจังไดอีนะบอกผู้นั่งอยู่ทางหลังจมาอีกเนอะหัวาที่เขาจะกับหาจะกบว่าอู้เมันจ๋เม็กมักดมักเอาหาเนะเอา เดินมหาเนี่มอ่อนเด้เมือนนี้มหาเงินเ้ยคับเดินอุดกามันก็โอบขาบอกนี่เต้โอ้ยเป็นจังสี่บ่แล้วพอเห็จานมบาน่น่ะเห็นบอ้กันผูขาผ้าท่านพี่นองพลบมาเนี่ยนี่ได้ย้อนผูเี่ยดินทง้านทหลังจักยอจักนี่ม่พอก็ได้เห็นบอพผ้ากินผ้าท่านขาวัด่ก็ย้อนจานเก่านี่ยพยังมาท่านเห็นบอ อเกาบอีกเาอีกเจ้าก็เอากนกบนพ่อพ่อเอาีก็เปินนไปเิงจะไปไทั้งตมันเอายากเจหน่อยรผัดหนีใคริบ่ได้เต็มตะกะมากได้มากเอาอีก็ตลพงกับมาเด้อเอาหอยมาแขนพซิลัสาเอาลงพ่อท่านอยู่ดอกยี่สบาทฮะซาบาทซาบาทโอ้ โอ้ยพ่อยใจาเอ้ยเจ้านับเงินบังหารไดอหกเจดหมื่นได้ทันแสน<อ>ปฏิทานเจ้าพระท่านยีสิบาทเศ้าบาทปฏิปอันนี้เสียเล่ยนมองไฟบกโอ้มาสาัาาา่งโบ้เจ้าท่านยี่สิบาทที่เจ้าหนักนบางหารจะเห็ก็จังวาจังสันเงินที่สั่งเงินลหลายสิท่านยีสิบาทมูนี้ปนัก็ดีท่านท่านแม่ถามเนี่ยตะแปียังไง ก็ให้ถามในเป็นอย่างลงพอคือว่าท่านสัตท่าสัตวท่าสัตว์ท่าน่อยกับท่านน่อยสัตท่าหลายกับท่านหลายเพราะท่านตอนแรกก็เอาหลุดเป็นอย่างโอ้เมื่อที่มีสัทธานเานี้ก็ที่ท่านซํานี่ก็ท่านซ้ำมีสท่านเอไวมีหลานหนึ่งสิวาท่านเบิดกับทุกต่โอ้โบเดือดบอลรอนผู้ใหญบ้านทพเต็มไปออกบ้านกับเอะเข่าเต็มเล่ากัยังจกเสบาาตันเดียว ปรดนึ ca, ่งมได้เล่าได้เดียวสคือโบคักบเนี่แต่้กวกนั้นไม่โอกอันี้นับให้เห็นอยู่นะพอดียกดีใจน้อยู่ว่านับคักเนี่ยก็เลียวเบืงอยู่เอานําให้เบืองได้บได้ว่าสินับท่านนี่บง่ฟังเสียงโบนี่ทีท่านยีสบาทแมนบอกแมนเอาจังสีชสเดอพอจาเดอเอาเงินยี่สบาทของเจ้าเอาไหันสกอรเดอร์เอเอาไหันสกยบตองบอกดอกเมียนไว้ไหยัง เออเอาไว้สองคนถ้าหายใจตายจังเล่าจังมอยท่านพระโพนิจาร์ด้วหมคือว่าจังสันพ่องแหงแถวปเลยมันตกอกตกใจจ้าแล้วว่าแมนพาแมนเดกอาวัวม้ากับม้ามาก็มาหลุดทุ่ยมัคือว่าจังสันหลวงพ่อว่าจังดมัก็บแมนเป็นห่งตัวข้าท่านท่าใดก็เอาเป็นอย่างนางเบาดื่อตัวทานหน่อยเขาตามหน่อยเป็นอย่างหลวงพ่อว่าพูนบอก สีมาสวดพุทลาลาบวะอุย้ยก็ะพูนอะไ น, น า, นาะใครบางค น, นก็บอกว่าปัญญานดอกวัดไตจังท่านวัดันดอกแล้วเลยไม่มีทางเลยจานทองสาไม่มีบุญวาสนาได้มาสวดกุศลาจานบุญมีเลยาคือว่าจังสันสีเอเปสยัยวัดว่าพาทางเมน่นบนกร า, ามอเจ้าสิปรีมงจังได้เม่นกระบอกเขา ส, ส, สี่เข่าจังใดลูกร้านตายเปล่ามา่อท um> ี่หัวก็หามก็เฮมาจังใดเกิดดีวาบ่อขาเม่นก่วบ่เขาสีไปสวนยู่ข้างหัวหน้าขุนผู้ใดห้ามไม่สพอโหลดเบิ่งสี่ไปยู่จังใดจะตังหัวใดไปหน้าเจ้าของน้องบูพูเบียนโมมากขคึกยากพุทยาก้ก็ไปนั่งไปนั่งอยู่จังไดซื้อต่อสั่งหางโทเมียวมั่อที่เจียวดจังไดพนจจานเคย่าเจ้าสี่ท่านยศเศร้าซ้ำบาดพนิจจานเอ้ยไปดวงไปบ้ากันแล้วแต่สี่ยากแล้วกนไปคนมันอย่างนั่งต่อใหม่ขีลายแล้วก็ตามกันเรจผู้เนี วาจัางซี่หลวงพ่อท่องสาว่าจังได้นาดมังแต่เออมือนีจานบนมีสิบ่มาเยียบบีกากเถื่อบ้ามาสังเเบาสังบาปตายเขาก็ะชหา ม, มาเตอเนอะาะชิใส่สีตุนบุ้ยเยาวตีตตุนเขาพิหูบอกเขาชีตนมากเขาไปมุ่นมากเับชีพิ้หูบอเขาไปมนมแต่สเจ้าตายไปแล้วเจ้าชีพิ้หูยังในน้องปนิจานเลยปวดหามาสิฮักขอมันหลดอ้ยมาสงังเเบวเตอเนาะโอ้เป็นทาเป็นเจ้าวามันม้วนหง่องสองเลยไหม จังใดจังว่าพอให้พระบรมทังสัระบรมเยจาร์ดย ข, enemies, ข่อยกะบบได้ว่ายังเจ้าตัวเจ้าบท่านทนี่อย่างรกะโบว่าข้าบหนึ่งเป็นขวบโบว่ายังเจ้าตัวก็ยังว่าเศ้าบาทเอาไว้ตูไว้เศก่อนข่อยบท่านรับข่อยโบท่านเอายังว่าถ้าเอาจะเ้าบาตายก็ยังว่าไโอ้พี่น้องบ้านก็อเพื่อกะมาพูละเศ้าทนนาตัวเรนี่ยมพูละเมินเดี่หลวงพ่อท่องสารอุ้ยเพื่อก็มีใจเพ่พนมีใจสัทธาพอที่เศ้าเพียงบาทเจ้าน้านับเท่เทเมียเจ้าโบว่าเดาท่านหาเมินนั่นส่วนตูพนมบ่ให้อัตมาอน้าเจ้าอีจักแสนสันติอันนี้ จากัธาคือกันตัวซัตธาซัตไัตไปทักษางสัตมาของบุญัตตุนในหูสัตปูในของัตกองจองขนต่ขึ้นน้ในกิว่าเขาว่าไว่าไปให้เท่าเาโลดเป็นอย่างสร้างเบาักว่าสรากะดกกรเดียดแต่ทังนีเปียนเจ้าอาลวาดโวเป็นเจ้าอาลาดเ่ไยากปานนี้ด้สร้างโอ้เบาจังเบานี่เม่นตายกษิโบเขาวัดเขาว่าอีรีเบย์เนี่ย เออสายกับสายไฟซื้อๆแต่แม่มันก็ชดอีเมลดอกชดกะทดใจอาจารย์อาจารย์บุญมีผู้ยุกลางคุณตอารบอมันมีสายไฟกย่าไปมากบอลเดียวพี่มอมันบมีสายไฟพี่รอดมูจักคว่ำในมูเจ้านั่นนั่นเบืงตี้เดวมาติตู้ตีตัวเอาอีกแล้วหาหลวงพ่อท้องสายจะเลยกับไฟไปให้ไปให้ข้าพเจ้ท่านใส่ที่ยายใส่เงินท่านเพื่อแบนี้แล้วขอสีเบียงเขาแล้วดอกมอไม่คอยพี่คอองสายเราใส่เงินเปลี่ยนดอก เก็บพ่อใบซื้อๆไม่ค่อยผู้เดียวโลดฟังเสียงเบาผู้เป็นทิดเป็นจานวาสีบกเขาวดสีบกเขฮอตมืดตายอีหลีบวยยันเต้เมื่อกันเด้อกลับกนเด้อบายบายมาสั่งเบาสั่งวาไม่ออกเอ้ยยางวีวีเมื่อลาวะเนี่ยแตมันเป็นหายเป็นหึ่นเาเจพญจานเอ้ยเมีนบ้านกะเอ็กหน่อยเขาเป็นจังบ้านกะเอ็กไงเป็นจังเสียเส่ยลาพญ่จา์บุญจันทร์คือบมออมูไปอยู่น้ำด่ บาดบาจานบุญจันเราคึเขววัดเขาว่าบาดบาจานบุญมีผู้นี้ผู้สมซือสมเบ่าสมสาสมฤจานอยังมืนอคือจานกี่หายจานมันสิวจานมันโคกสังหายเป็นสีทุกคนอยู่บ่ละเฮออ้กระโผดกัะโพไปละพนย่างไวไไปเลื่อยโบกุ่มหนาเลียวหลังมาเลยอ่ะแล้วยมพอยมแมเอ้ยปฟังเอ้ยให้ปดใจตั้งเอาใจยางลงฟังบังดูพญาคูจานท้องสาปากบ่เป็นทคาง ทั้งเคยเที่ยวมาจันต่างก า, งาติดต่างมัดสอกถืกมัดนอกแทนเจกอกก่อหลวงเทาไดนาง ง, งูจานบุญมีผูกกระด่างมายอมเอ่ยทำตามเทาประนับตั้งสงไฟโตจนใจหอน คอยแต่ฟังดูดูทานเอียกโบนานกะคอยเบิง้งเฮงโบเฮงกะสียหูบัดค้นตูเสียลืนไทยค่ำโบลานผลเกาไวยแเนี่ยปาดลืมข้องหวัดตัดเป็นตอนฮอนลุง่งจังเศษลายเส้นจอง่อไปฟั ง, ทงเทาๆจานบุญมีอีกเธอเนิงพึ่งสีสำนึกได้เห็นข้อบอนเป็นสามเดินไกลได้รองเบนมาเป็นป่วยส่วยเถิง เตียงเข้าขคเข้าเวทบ่นเป็นฮวนโฮฟังบางดูตอนนิจจานบนนี่เดลงโอสมเทนอสมนำนาลุ่งป้าบอซองดูฟังบางดูพอสู่ไม่ทูกจานบนมีดเท่าศิวาโอศิวากรว่าจังไดว่าบางดูพอจานขีดที่ใหญ่ใหญ่โอ้ ย, ไงไงอยหลังจากข่อยได้ไปปทาค่าล่มกับหลวงพ่อท่องซาสามเดือนผ่านไปข่อยตาจ้า ว่าเป็นจานใดกินเขากรบโบวานจานแกงก็บโบแสบซ้ำ ม, มือดีสี่มือหายกินแต่ยาพาลาปอมปอมอยู่เบิดย้ยยาผ่าลากเจ็บหัวปวดท้องี๋ยวก็ขืนบ้าไรแล้วก็ล้เอ็นนองแล้วก็เล่นขอ้อท้องแล้วก็เลน่ลเลนเข่าหัวมันบาบบบบนะบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ ไอ้กะบอกระกไอ้แห้งย่านเท่านั้นได้ยินท่นยามสิไอ้กะแลนไปเอาไ อ, อ้ยู่ขัวเล้าท่นยามนอนกับไอ้ใส่หมอนโอ้ยได้เห็นหน้านะโมูบโนปีนีน้เนาะบัดเน ใจขัางฟังกันไม่จานบุญเยี่ยมนาจันบุญมีตัวเก่งแรงเนี่ยท่านในถึงเทียมนาแฟใครเดิน ด, ด้านขนานจานทุ่งทุ่งด่านทั้งคูบาจานค่อยสึกสารดเด่นหัวดอกเหียเราโค้ง ยานเป็นคนที om, l l l l ่มั่งยอมทั้งเคยตองดอกเที่ยวดุนยาสีเพิินลืมลงไงซื้อตรงดอกข้องเขาหนายานสิเมาลืมดิมสนิมกินจนว่าเปือยกูฟังเอ้ยีินบอกยันดานบอมหัวโมอยากหัวไงฮะมาซอยข่ายาบ่อยแม่ ร้อกับาจังสี่ลายพี่น้องกันเบงยามเทียบย่ำป่วยสี่่บาย่มฟ้าฟองปงจังกินหัวดอกย่ำน้าย่ำป่วยนาหาบอย่านบ่ม็นของแลงบนี่บาย่ำเอางัําสอตามมงดอกกงตา หัวยาำสอดทำมาทรงโด่งทานบ้านนาจนขึ้นบ้านทำมาทานท่านเจ้านายเอเมีใหญ่เอื้อโบอยากบวาดอกขึ้นทางคุณข่าได้ดอกสิ้เสิมนำตาพังเลี้ยงถูกนายเดินสั่งเป็นแทา mến sang b i ề n thèn ó đê m tràn buồn mía đầy phăng bừng mẹ nhảy ơ i từng bàn cầm có hai bồi nay đ ộ c t khen phuận mẹ này xa ta d ù n g để n ố t chìm đưa cầm bò n quỳ đến muôn lại đ ư ờ n g ba mô thuần đã cần khay đ ộ c t tăng lạng กันจะป่วยแต่ละกันโอ้ยข้วบา nặng ไอคนเดินเดินวนยาำจะเป็ี่นได้กินยากระสวงหายดอกเข้าค้างฟืงอากาศจะของเล้วเจมบังเอขึ้นบาเลยโอ้ยเห็นเขาสวงบนดอบานโอ้ยบาน ไปกลบกวนบักโจกหมาว่าดีเอ็นขอสวงคือฝังอาการเจ้าของแล้วเจ็บปากแก้วึ้นบาลาอิเจ็บลงไปดองหอนเถอะหนุม้งกุ้มึ้นใส่หัวอ็คือขินสมองเต่โตัวชีดบนอ่ะนึ่ แจมไปเหมือนตะลอนทวนแจมไปทัวสะบังกายทั้งกลัวตายแต่เปี่ยนบังบ่บอกเมียให้หวนหูอันเลียมเลียมยุแขนก็ใส่น้ำรอเป็นอย่างก็ได้ไปขายสื่อยาแน รุ้นตัวเป็ียนาการเย็นแต่วัวาเมเย็นสีซ้ำเตือปูฟังเอ้ยซึ่งลาย อ, อ่อนหนาแน่เศร้าบายุมผู้เดียวอ้อยเดินหน่อฮวงนขจะเป็ียนมันสังมาดอคอนเขียว สั่งมาเกี่ยวจานบุญเมียนผู้บอดีมีตมไปสร้างบ่เปลียนดอกคืนเงี้ยผัวข้าพิมสั่งบ่อหมากินไข่มันกินตํากินแต่งไห้มันไข่ดอกไข่สวงอื้อุโอ้ยแกงบะไข่พํามึงยำออกมาเด้อเพื่อสําโลกได้กินแกงบะไข่ผัด มาห า, หาคนนีจากใจไหนเล่าเกียงในพี่วัวนดอกดังเดิอดนาตทั้งเตมือนั้นจนมาหนเมือเองบุญมีจอยดกอกโซผมซอมมากันเจ้าของเงียเสียงสิตายดอกเขานีน้เท้าเอ้อยเท้า โอ้ยใบวัดบวตันบาบอดอตอดก็ไดมุนเสียเออแม่อย่างหาเทาไม่เคยเป็นจังสันไม่เคยเป็นเป็นตบอมีเหงอมีแห้งเป็นตบอดเขาพันสาน้าบ้านเปิดเเทาเอ้ยาไม่ล่ยเน้เป็นตะไดตหนีแนใครฮะใครมองไดใครใครนค้ยขอใครน ใครมังได้ใคร้างหัวเนี่ยใช่ไหมใครใครอยู่นั่นล่ะใครมังไดขอยถามมันบอกเป็นใครคอยใครใครใครใครนันโอ้ใครบอกขาว่าตาใครหนาวเทามเทาอนเอาผู้หอกกับบ้าเนี่ยมันเป็นตรกราายตะกี้ตะกอนตเป่นตึงสี่คอยก้านเออคันว่าเป็นไครเป็นไอ้กินแหวกกินยาขช่วงการเศ้าบัดเพื่อเป็นเนี่มันก็ต้องเป็น ไลยมือไลยเดือนแถวเอ้ยมาบวายืนคักแถวโซ่ยืนคักแท้หายาไม่พอกินได้โอ๊ยนอ้อยยาอย่างนอแถวเอ้ยกะเบิ่งก็ช่อมเจ้าจะหนี่อยู่มื่อวันเชื้อเจ้าเคยเห็นคนเป็นใครอาการเป็นจังได้เน่นอาการไข้ขึ้น่อยบน คอยนลุดเจีมอยู no ่ในคนบาบ่ด like ังไงบ่เจงเจ็มที่เดียดเดียดตายเอา พยื่มเงินเจ้าซื้อยาเนี่ยักสิณมายืมเจได้เงินเจ้าขมิลวงหลายอยู่ตัวเถายามันเบิดฮะพยามันเบิดทีกินยากินโยบเ่ามันที่เศ้าจะกินถอขันไโอ้ยก็กินเถาเพากินมันก็ตาย้ย่านตายอยบมาตะกี้ตกอนขึ้จังคุยว่าว่อยู่ขนชาวบานอยู่นลาะกินถอมันที่เศ้าเถาเอ้ยใมันแข็งมันแหงก็บยาตายล้ลาซื่อ เก็บดอกเสียงไว้บอไซจ่ายย่านมันพูดคอยอดเจีบยดเป็นว่าสิยงหายก็คือเย่แม่บุญสีเต็มที่แล้วมีแนวได้บวชคเน่เนี่ยๆๆสาธุแม่เป็นดีๆลยแม่จะได้ผัวใหม่เมื่อดต่เทรนเดอร์ซูรินเมื่อแร้ยเมื่อขอติเชตขี่มูกให้ มันขอรถซองไว้กี่โมงแ่าอันนี้กี่โมงควจขอเสวมันจะตีนจีนี่ละเส้ไหอเจีนยางกยาบันเตาเอ้ยเ่าเออการเจเป็นข้าวนี่โอ้ยข่อยคือเบาคือเก่าน้อแม่เอ้ยมันจะใจจังวัดบาคือเก่าฮะแเป็นตะข่อยเปทั้งหนายูยานปรได้เขาภรษาตะไบจีดองมันจะเส้าที่ละแถา หายยาลานกาไว้โต๊ะกาไว<ห>้ น, น, <ะ S 2> นั่นฝนกั บ, บโบ้ห้วยมาใส่ดำหน้าก <c oughs> อดจังใต้แถวเอ้ยมันตายนํากันเด้อคนเดียวเดือดท่านตายเด้อาไปหายยาไม่พ่อกินแน่เหรอใครไปหายยาเออกินทุดเบิร์ดยาสูยาสูญญา เ, เออนี่ยเราบอยาอะไรยาสมัยไม่กินเบิดแล้ว ยาบราณหักไม่เนี่ยยาหักไม่ให้คอยไปหายาหักไม่เถ้าเอ้ยคอยซ่อมเบิงเจ้าอยู่นี่คอยมันว่าเจ้าเฮ็ดเล่นมาได้แทนเจ้าเพนี่รีตัวนี่เถ่าเจ้าบ่อ้าขีงผอจักเถ้อเนาะกทังว่านี่หลเขากับมตรเบิงเนาะขอกับบริจับเด็กใบเจ้าจักเถืาเพราะว่ามันเจ้าเฮ็ดเล่นเฮ็ดหยอกคอยขึ้นตะกี้ตะเก้าสันดอกเถ่าข้นาจังนึงขึ้นจับขึ้นบไว้ถ้เอาอันนั้นก็บจังนึงจังว่าจังสี่กับเบิ้งกันเกิตัว ไทเท้า้ายาไม่พ่อคิเนี้ยบดนีละย้ายบุญเสียป่าวัดเดนได้ โอ้ย่าฟ้าตายเด้อเจ้าจให้คอยทุนอดเบื่อยาโยใส่คอยสีหามาให้หลังเจ้าเก็บไปใส่สีสือเอานื เกนเป็นมาเนิ้นเจ้าบ่เบ้าอำอึ่งอยู่พูดเดียวพ่อาตแม่านแมย่อพ่อดนกันนนเจ้านั่นขอดเขียวย่านบ่แมงมิไหลเป็นฤาสีตายบอ่ยอมเพิก่าบกนบ่มีเกินเบิอ พ่อเฒ่าเอ้ยลูกแม่ลานบ่คยเบามีแต่เขาสามพ่อตายแม่ที่ยู่กก็ไผ่น้เฒ่าเอ้ยที่นั่นมีนองบ้านกลเอ๋ยอีเด้อล่าทั้งลูกเต่าขาบ่ แรงขวางเขาแค่มีพ่อขวางอยู่เฮิรนข้าอ้างเล้วบอกเคยฝ้าดอกเรืองโจรวขเหลงวัวกค่อ้างล้นเกินเป็นทั้งหมดเจ้าเก่หดบอฮักกีรุ้ยพูยเป็นเบินเส ทั้งนี้และเขาเนี่ยนะจะเป็นเต็มทีนั่นแหละที่ม่ใช่เพาะอะก็เพราะเขาบอกว่าเขาไม่ได้ด้วยโอเธอจะนั่งจนมอวานที่เรา เพราะได้ปวดเพราะได้ค่อยสิขันเพิ่มให้ใส่เยอเจ็บหน้าท้องนี่ละทเาวขอเด็เจ้าน่าขันยังอยู่น้ำโดนอดทนเด้ออดทนไปจะติดตายเด้เจอ ไฟเสีโค้ยลักตาวัเบื่อตอนด้คอยบ่เบ่อยากจะใส่สืหมาเพ ต่อได้การสือขอให้เจ้านั้นสวงเสวะอย่าพิสืจอทอดเฒ่าขอเอากระได้ดุจยาเันพอเฒ่าเอ้ยเบิดต่าได้อยบ่าวเจ้ายังอยู่คอยพ้อใจเบิดต่อได้ขจดใอยเพือสื่อทอดเฒ่าเทพขำไปแต่สืออยางสื่อทิ้เจ้าเฒ่าเอ้ย ชีวิตักัพ่อเลยเดทาเอ้ยโอ้ยว่ามียังกัตามล้วแล้วมีผัวกัพ่อชูตกต่อพูอมากว่าแ่ามีผัวเฝ้ากัซึ้งใจ ละายบุญสีได้แต่งองค์ไอ้เฟย์ม้มน้ำพัวย่านพัวตายเลยแฟ่ยปอยตัวให้เป็นเป็นไมยพร้อมละเท่าเอ้ยันพร้มผัวบาดถาบาต่างวังคงการนั่นเป็นยื ผัวมีตุกเยอะอกใจผัวสดใสเยอยซสือหาวแล้งเต้าได้เสื้นสมนาและย้ำผัวเจ็บไปลมในสมบึงดูกกยแม่นแสงลายมาจ้ำเป็นบกคิดเด็นบาดย้ำผัวฟังเอ้ยละเป็นผูวได Bia s a o h n o o h cao e n sau lau b n เจ้าเจียใจแล้วล่ะพอคอยบอกอย่าปิดบาปเท่าจะเลยอไปสิสั้งบ่มีส่วนเอื้อเปิ้บ่ดูกาตามเล้ยงแอบไปบดขุดมองเท่่แนวคอยมีแต่เพียงเจ้าเอาต้องคนพอได้เป วัยเด็นู้ดไม่ใตั้งตึงวังเพื่อผัวนู้ดตอนนั้นอากาลเจ้าให้ส้วงตาอุบนาพอเท่าเอ้ลูกขึ้นมากินเขาบิ่ตาไกล้กำลังเดียดมีไรเนี่ยไข่มาทั้งเจ้าปงวางแล้วพอมาให้ต่อลงกกินเข่าบ่ท่านโดนกหายหบลกขึ้นมา คอยสีฟ้อนอย่านอนเลียงเปาได้ลาภุญเมื่อเป็นโลกลายไข่ปื่อยทำไมดา ใค ก, รรรโโก็เป็นเคอกันพอใจว่าเศราเล้วแถวโขกขมเหเป็นเพียงใค่ปัจเหัวใจหัวเดาเถิดระหลาดเศ้ากามากแล้วเหลือเพียงเจา้าผู้เดียวยาก่อยตมคอยเคียวโซดานึ่งกลาง้ายเจ้าบตายให้หนีใจสื่สอสันนี้นาลยายบนตีปลาล้ม เอาใจไปสุดตนแต่ตอนนี้ค้งเกินเป็นะล้มปากบ่อใดมาลุกเอาห้ง ในอย่างละเท่ามาสู่พอกินหลายแนวหลายอย่างอยู่ละ่าเฮ้ยอ้าป้อนพ่อเนี่ป้อนบอบอมีแหงห่อสิปันเข่าพอดีเท่าแขนกัโยกบวกลุนตากระเบิดบ่ได้เท่าเอานี่เท่าปิ่งตับไก่เอาตะค้ำเนี่ยเท่าเด้อเท่ามั่งเท่ามั่งอัําเท่าอั้มเอ้าเฮ้ยโอ้โหเปิยงไตไก่บ่กมันขึ้นหยาบจะหยาบจะได้ตับตัวเถ่าตับไก่บอกเป็นไต มันตักแห้งบอกมันคือขุยแต่เท้อกินบ่ได้บ่เผาอนามล้องบ่ขนาดเท้าเป็นใจไหนตุ่มหยายังเท่าคือเหลืองนี่บนี่บ่หักหยังหากหากต้นมาต้นตอมันเป็นหยังอ่ะบ่มนีขี่มันบ่เท่าคือไม่ได้พักว่าพวกโอ้นี่แหละมันคอยเข็มคนเท่า ไม่ค <c oughs> ่อยเศ้าเร็วตอาจจะตวดมันบักกี่มันมีตอนนําม่ค่อยเศ้าเร็วมาผู้หรือมาเมะเท่าจะ่อยบ่กเดยเบิงเออเป็นจได้ละเทาอ่อนเามันไอ้มันจิเจ็บข้อนี่เอานี่เอาบักนเบิงหน้าบักนานี่เทา้บักนคือสมเบักน้าบันเมงบวบนซัวาเท้บวบมบักเอ้าวบักนาบนมยมานบอนสองแวกเป็นขันยังวานี้เ้าเทาเออเป็นจได้ละ ไข่บอโอ้ยมันคือลวงโรคทั้งไตปุนเถอเอ้ยมันคือปัจจุบนี่เนี่ยมันเป็นจัาไหนอ่ะเขาปาแล้วคือไหลลงไตปานนำผู้โทษ่เนี่มันกระจายไตมันฮอนตาจีออกดังยู่ว่าจ้างว่อแต่คือลุ่งทรวันน่ะมันสือว่าอาการไข่บอว่าแต่ไปไปคุณองคพ่อครูสุคนเถอะอ้ยมันคือบอกจันทราร์เท่าเอ้ยเจ้าจาวาจัสันขั้นจอดไตไปแล้วคอยเสียาใสไผเมือบอมี่ตนเจ้าลวเท่าเอ้ย ไห้หน้าก า, ห, า, กาหงไปสีผ้าคอยเห็ดไข่ส่างลาเท้าเท้าเออก้าแม่นพอตายอย่าลืมทำบุญแจกเขาอ้าวได้ด้วยเอเท้าไปเดินเท้าอก็ะสอบได้จ๊กแส้น่าต้อง ใชปะกันก็เห็นไหวสิเดจากแสนละเท่าเงินเก่าพ่อมีฝังไหวอยู่ฝังไหวมองไหนตะลางเล่าตะลางเล่าขุดพอ่อปนอแบบนี้แม่จำไม่ได้บ<อ>ม่มันใหญ่หม่องเราบะเท่าจะเอาเนี่ยักไรบ่ล ะ, ละเหมือนเง<อ>นมือแร่งแม่มาแต่น่าพอา่อกำลังคนฝังแม่ยังถามว่าเจ้าคนยังเท่าพ่อเลยว่าคนบ่มกล้วย ธรรมดาพอฟังเงินไว้โมเงินบันอันเทาพอเสียหาซ่องโอ้ยฟังน้ผู้อันอันมฟังนําน่เนาะหายแสนหาแสนฝนว่นเทาโอ้ยเนาะเนเจ้าเอ้ยแ่ยังยีบันนี้เอยังให้แม่ไปสังซาลาน้ำหลวงพอท่องาเด้อโอ้ยดีละเทานี่ละซาลาไมเนี่ยเห็นเป็นกีดนเทาเสริมเล็กพอไม่ค่อยมันค่อยคง แสนที่สองเพี้ยนยังให้สังซุ่มประตูทางเขาวัดจ้าใส่ดูพ่อจ้าจ้าดึกาอุที่จะับุญผีเนี่ยท่านทานหัวน้ามันนี่จะจะหัวหที่ละเทาโอ้ไไอ้ไห้ไหบไห้เมื่อคือขี่ไา่แต่ห้ามึงแสนที่สามแสนที่สามเพ้ยนยังละเา้สงองกรินสังกองกระิน อีกสองแสนเพชรย่างแม่ซื้อยากซื้อกินตาน้าบานน้ำเมือโอ้ยเ่าบิดตรงเป็นห่วงดอกใต้สาบ่อยบันย่งดอกขันซังคับบันนี่ละเ่าเอ้ยบิดเนียนดาเวียนล้านกันได้มุนใบมุนเวียนไปดอกสามเบียน กานเวลาหมุนเวียนสําเพียนเดียนและเมื่อกันงูขวงอยู่บ่ทรานะเชื่นเป็นคนนั้นเหล่านับมือแกไปตามกันนั้นสาคัญของคุณบ่ยูยืนดองยาวได้นะนอยก็เจียมน้อยก็ไขมันเป็นใบดอกตามวางคือนจังเลือเสียป่า แทงสลายจังลูกขืนบ่ยืนได้ดอกมันเพียนผวนฟังเอิ้นจานบุญเมียในข้าวเด่นตรงถึงเตดอกกำเศาร์วควมควมเมาไหลลุขึ้นว่าตูสีเกินบ้าน bò kín đến ban bò cầu máu năm tuần cưới b ù a m an lối bò kín bò tớn giạt v ư n g van cả b ó vòng l ộ t sâu cầu đoàn vang vang cuốn t h â n lại đè cao van mà chàng che đ ô n g lùng b i ế n b ạ n bàn đền bò n h ô n h ô n còn nô n ố i nô khồn bay ใุนใหกเวกาวตูนลืนเข้าโคกกะวาตูลืนข้าเลือนน้ำปานลืนขว่างบ้าจองคุณเว่าเอยู่ตัวมืออหันฟังเอ้ยกลัวว่าตัวสิงหูเรื่องกะเลยแกดกืนสายบันไก่ตายจังมองยินกันว่าตูเป็นคนเฝอ โมหฮ้ก็โม้ฮ้านสาวก็สาวมีแต่สองดอกคนเฮ้อนได้เบ้าดอกกันตัวบุญเสียเอ้ยขาดพี่น้องขาดแม่พ่อนโบมีไปสีเบื้งซัำกันกำตัวเท่าพ่อจัน เห็นเป็นคนที่เลือนบ้านจานเป็นเห็นดอกคงดุมตูโบ่เสริมทางวัดจึงมาจึงดอกจำจวนสมลาโน้บุญยินดวนตรงทางข้าที่ียบเจ้าขันข้าวนียคงไตยเนียนคงตายเนียน บ้นม <rude S 2> ีผู้สืบเลื่นเก็บ่ไหวไปบ่ผลเต็มทีเดือดยานเตะไทยมาเด้อยมิไงเอ้อไปสิมากินมาทานน้ำข่อยก็มากินมาทานยามข่อยเห็นนี่ละท่านตายไปแล้วท่านสิบท่านหาคอยกระพุ้งน้ำด้วยเด้อเห็นละ ทธอเอบอเมีนดอกบันเด่นเด่นสีโยน้ำเป็นเบียนี่บอไว้เมืองนารกกันจูดเผาดอกเต้งเจียมขวนความเดีบอกเคยหวังกับมาหัโนนตอนเกม บ่ไม่ไปสิดูเล่นเก็บบ่ไหวไปพอพนเต็มที่เนีเท่าบอจานยันไล่าเด่นฉันได้ตายจากบ้านนี่จากให้ดอกนาสวนเด้โน้ ควาทั้งมวลที่เข้ามือลดซอยตายบ่มีใดเห็นยายสีเล้ามองมไม่เฝ้าน้าตาทั้งให้จสาามสียโม้ตุ่มเอามาให้คอยบอ่เกี่ยง อันเชื่อเวีนไกันเสียนแหงเป็นพวงดอกน้ำลายได้เสียนไดเด่นเสียนได้เนียนที่เสียลากเม่นผู้ใดบ่คือเจ้าเอ๋ยเอาแม่นั่งอยู่ทังใดเดี๋ยวนี้ยู่ทั้งผีตัเท่าฟาอยูุ่่นนี่้ามาทังีจะืยฟ้าเคื่อนตัเท้าจาพอก็บใบหนุ่ม เดเมื่อมาให้พ่อบายในเทาอ่านีนเทาโอ้ยเห็นเบิดใช้นาเทาน้ำใหม่มือก็ได้อย่าป่าพ่อเด้เทากูชิดไ้พัวไมคบัด น, นี้ละเมื่อเสอเอค้นที่ตายนองยาเศร้าให้หาเอาเดิ้พัวไม่ พ่อในเบืองอาใสงให้แล้วนในสยเจ้าพ่อได้บอมอันคำเลียงพในพึ่งสิหูแจ้งตาสว่างดอกหูใสเป็นน้ำใจผังคนกินว่าตุนออเกินขางจานท่องสาเหลาวนความเป็นจิ้งมอทุกทางเคยบว ด, ดันการศึกษากลับมาลื้ หข้าหลวงตาเบ้าปวดเมนจียงบ่ายยามนอนอยู่กิ่งนิ่งเตินกะบ่อนอนกำเตียงเขาโตเตียงกำดวงตาชินลายใจน้อย ออกไปวัดนิมนต์หลวงพ่อท่องสาขามาแน่เจ้าได้เจ้าบัท่านเาขาดอสิหันไปมุ่นพนบเทาบัวเม่นจังสาเนี่เม่นจังไรมุ่นไม่พอสมมาคารวะสาสมติดได้ไปโศไปเถียงก่าวจาบช่วงเพื่อนเมือนันเต้ยเถ้าบัญญิอกเดากขจิตไปมุ่นให้ดอกเท่าเป็นบไดออนในย่อมเบือนห่านตายบัลัตาอยู่ต่างต่อประผุดพระรมพระสงค์ไว้เดิษเถ่าเด้อ ไปในบุญจันทร์ทองสามาให้คอยเงินเฮามีนพอเสียใยคอยสิยโยนเงินถวายสั่งสาลรก็ตั้งกำลังนี้สิละมียดเงินเฮามียนยู่จิงเพียงไข่บัวห่วงดอกเพียงยาวบัดย้ำตายบัวดูโห่มันซอยหยังบัมีด้ย บ่เคยพ่านสิวมาบนนู้นเถาบ่ตายดอกเถาขันมันเอือมจังสี่นี่บ่ตายดอกนี่ล่ะมันถือยาอันห่างต้นหมาคอยละเล่าเถามันถือโลกเจ้าละละชันต่อไปสิบ่เปลีนดอกคืนเีิมสิขอทำความดีบ่ลงที่บ่ลืมปอง หัวสีบ่อจองห้องลาลืมควงหินเขาลวงตาบ่าปูนเมนเ็นแจงนะหายใจลงม่มมอตอนขอไปก่อนเออซุมหูเงแนวสิสังจานบุญเมีบ่ที่แพ่งก่อยเศร้าเลวที่ยายบ้านน้องหินกะเศร้สาสั้างดูที่ยญ่บ้านกะเอก็คือกัอนก่อยตาแจงละละ่างเศร้ามื้อหาเมียเก จะเดินเดินขำพี่แสนเงินขอของเที่ยวยังมีกี่แสนกี่ล้านในท่านขาดอกบานว่างนะให้เป็นบุญนลำค่ำาเป็นค่าบาดผัวตายบุญเสิเอสายสิมาเป็นผัวเบึงไงดีเดินเจ้าเบิงดีดีดูเท่าขี่โบขี่ไปให้ลูกเจ้าเห่าดู <c oughs> <c oughs> อยงทีลาลกะสิก็ผู้อยู่อัละเท่น่อยล่นจะคอยสื่อจื่อไว้เท่า เส้สิมาเป็นบัวเบิ่งไงดีดอกเดือจูมนะเขาสิมาวังตุ้มมมุนมั่งสังกายนเงินทุกบาททุกเบียร์ทาวันให้หลวงพ่อสานะไปในโบสถ์พุ่นพุ่นนามาเก็บซากดอกเผาปีโป้มีไผดูดีให้เบื่องพระพระสงคฆ์ ฮันใจบุญเยาวห้อยเจ่นแจร้อยมั่วเมื่อนหันใจเปิดอโบหอดอกในข้างหวงดอกสังมีอืนบุเสืยค่อยลอนห้องเจ้ากะเดือนใจหลงเแหบบ่ทนไว้จึงตั้งใจย้อนมือโน้มกันแส่ขวัญกุโิเจ้าอย่ามือผ่อนนบในเท้าเอ้ย จับมือจะโนบต่างคิดต่างใจเอาเด้อเท่าเด้อต่างต่อบ่เท่าพุทธโธธรรมโมสังโฆเด้อเท่าเด้อพุทโธธรรมโมสาธโธเนี่คือบาบาสังโฆโอสังโคสาธโธอ่ะมันจิตายตืมขนาด ตั้งใจโยนมือนมกันใส่คุณบุตรจวงนะหัวใจเบาพอนุ่มน้อมสวมเตะใจสิลุณคาขาล้านเดินใส่แม่เ่าปุ่นซิง เท้าต่อจานเท้าต่อจานเท้าโอ้ยตายแล้ววันนี้โอ้ยปวดข่อยตายแล้วไงเท้า โอ้ยตายมือเด็กกับ่าตายมาแต่มือใจขาดนอเท่าเออโอ้ยนอนอนผู้ใดย่ใสมาซอยผู้ใดในเนื้อบรรนี้โอ้ยผัวข่อยตายแล้วบนี้หลวงพ่อไปม่นกับพระท่านมาอายุในยิ่งเสียงบังกะพกุณบวาจังสีมาผ่าอยู่วัดกระไดบัดนี้ เสียปาของอมและคมน้ำกายน้อไอพีนจานบนมี่อยมอยเมนคอยอื้นกะบขึ้นนาจานบนมี สร้างบทตรนมันตาฮันอืใจป่าละกายนี่เป็นใจโน่จริงแท้จริงแท้แท้ตายบ่คืนตายบ่เตะว่าเา เตียงเ้าเป็นสาวเจ้ากะเจียง่อยกะแทงห้องดอกหอมหอโอ้ยหักกันเตียงหักกดอกบอยน้องอยกันเนี่ย เมรนว่าตายเป็นเพียกาสิ้นิพพน้ำกันขันความลุ่มพระอุยงยลาต่างมาเพี้ยนโนไปโอยพอเพิ่มตายพักไปก่อนลายายบุญสีมองวนว่ ตัวคว้างเขาน้อกไล่ผัวตายจากอับเาแล้วสิดเล้วกระนัวบ่เคยตายบ่ล้วเ้าานายลนว่า ว่าบังใยกันลัง่นอื่นใจคนว่าพรายันดอยเป็นน่ะคนเนอยู่นอตินเตอละมาต้อยฉันเนเ้อู มาต้อยฉันเดือดรนปวกหมูออ้เอ้อเอาว่าจนตายล้มบดเดีวเลือแต่ไก่สังคัญอยู่ เก็บรงอาบนาหามเขาเซกะลุงนาและย้ายบนศีลกรกลุ่มขาม่กนเกบพัวเท้าเอืยยาเดหมัวน้หลังสียงของดนตรี เนี่ยเดียได้ผิดแลวขวาขขามนั่งตดเสียงบ่เห็นบ่หูถึงเท่าอานบ่เตียงเสียงเดเนี้ยเดีล้วงลึงยาถือปากถือคำยาใส่คำปองเว้นตรงห้เมี่ยมบางเกินที่มีสิดำตามเท็ดตามคำที่เจ้าเสิมยากได้ยัง ค้อมนาอยากได้ยังกินยังคอยเจ้า <nossos> น <viewers> uh ั่งเกจงเงี uh ้เขาวาสุฟันเด่น้อมน่ลายใบนเสียสามกับคนปากแดงวนเฝ้าบ่มีเสียงเพียงแต่ตายบ่ทละาเฝาหากมมน และเพียงแต่ตายว่าทันเผาหากไม่รู้ตัวทีผวฟังเงิบาทตอนนี้ไปเผาแล้วเงินสิเป็นบนสิเป้าบ้านสิเปือเรีน้เตา ยินยินบอ่อพอสีลงห้องอยู่จังคุยนบุญเอ้ยบุญสร้างบอ่อสวยสร้างบออาา่อสวยเสาาตมีเงนไหลเป็นกองกองกาบ่อผ้าให้นีเว่นเฮเลบอ่อโน้ว่อคนท่อม เหลือแฟนกลางไว้วอนมีเงินคาําไม่เจ้าพรอยาเะเพีงดอกมไม้ไว้ยาไม่ใสให้แบ่งทาอนิะโอ้ ย, ยาได้คิดถึงแทนมีเงินมากนั้นเศ้าตายจานบุญมีผู้เงินหลายก็เราตายเห็นบนุขอใตาตัวส้นเสืออย่าลืมตายใจแก้าขอให้คิดถึงเบื้งลึกบันเลื้อนข้นบ่อยู่อย่างสังขาร นั่นการันดีเอาันเม้าวน้ตการ์กี้เอ้า ก้าวเกีวบนเผ่าจากจานบุญมีน่าละแมวเผาพี่น้อการยาสีสังลมเอือแล้วนั่นฝืไปก้องางาข้างหลังบ่อตองก้าวสาวไปโดนยื่นเจอสีคยเต็มเจ้านมห่ละเจอพี่น้องอายมียายมาห่มาทำ บุญเผ่าปีซอยกันไม้มันเลวอานวาหาเงินคําแก้วมีแนวใดสิงน้มอบสางสารละวัดดันม้มันเลวทั่วการนีมุนเด้อหลวงพ่อท่านเนื้อคูเต้นจานทอมสางจาตุสัจจานบุญนี้ที่ได้ผีดไปเลว เดวใด้มีเรากระป๋อมย่อมน้ำตามตั้งแต่ก่อย่อมกำลังเดือด่อนขอตอนเลพันเบาหลวงพ่อเอ้ยหลวงพ่อเจ้าไอ้สิเราทั้งบุญละคุณตาเ่าไอ้ฝนในเกจันปุ่ยไต่เร็วยอมหมดแ้วสิจะว่าตาลูขออัลใลอ โยมอาสัยหลวงปู่ขอคุณโปรดสบายบ่ยิ้มขอบนาเดพนไปนันโดนาพา โดยคุณยมเจ้านักหรือเบ่าสุ่มเจว่ า, วาสมกเลือกขนสาวาเป็นดาวรยับฝ่าแสงจ่าติอีสารเดีบบนน้อเพื่อนยังวานันต์นี้ไว้ปากเสียศีลไว้ตีนตกตนใหม่โบราณเก่าวเตือนสอนสามอาจารย์เลี้ยงขําก่อนตอบตอนถ้ามีคุณคาเติมพญาล้งให้เติมลงไปประนามกันพ่อกวีผู้ประพันธ์โฆษนานเรื่องนี้กวีให้เทศเสียงจบบทบาดบนเบืองเสียงสิไว้ล่าล้งสิขอปองนี้ท่านขาไขว่แต่พ่อเพียงนี้ คอยมีสุกลนถูกถูกนจนเจริญโชกโรกยายมีผีกยายพานมั่นกยายของเว้นหายพายพังสุขบวลพ่นประเสริฐอยู่ย่างติดแนบนำสนองสมใจป่องมโนหมายเจตจำน่งประสงค์ไวคุณประไตเหตุปกป่องประสบพอนอเลเลิดคืออายุวันณะสุขภ พ, พละคอยมีแก่เจ้าคุณยมเข่าผู้นั่งฟัง